อนุวัตตอบรับมองอ่อนตลอดเวลาพูดไปก็ยิ้มไปด้วยขณะนั้นแถวพระเดินรับบาทมาถึงอ่อนแล้วจึงได้ใส่บาทร่วมกันแล้วเข้าวัดร่วมจัดอาหารถวายอง์หลวงตาตลอดเช้าผู้คนได้แต่มองอนุวัตและถามกันว่าเด็กคนนี้เป็นใครเมื่อถูกถามถึงอายุอนุวัตตอบว่าอายุยี่สิปีอ่อนอายุ48ปีแล้วแก่กว่ากัน24ปีพอดี